ในไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันแสดงได้ง่ายอยู่ตราบใดพุทธศาสนาของเราถ้ายังมีผู้สนใจใครในข้อวัดปฏิบัติและปฏิบัติ เพื่อชำละสิ่งที่เป็นค่าศึกอยู่ภายในใจตามหลักศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เรื่องคำว่ามรรคผลนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นๆจะพึงได้รับตามกำลังความสามารถของตนทุกขั้นทุกภูมิไป เนเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายัางทรงประชนอยู่หาจจะผิดกันอยู่บ้างก็เนื่องจากผู้แนะนำสั่งสอนอาจเป็นผู้ที่เข้าใจในจิตตภาวนาจงกระทั่งถึ ง, งมรรคผลนิพพานภายในจิตใจของตนประการใดเท่านั้นะเป็นสิ่งสำคัญ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 ในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกที่เข้ามาอบรมศึกษาและศึกษาเพื่ออัจเพื่อทำเพื่อมาผลนิพพานจริงๆไม่ได้ศึกษาแต่เพียงแต่ศัพท์แต่ชื่อแต่นามเพราะความจดจำเพียงเท่านั้นและไม่ศึกษาเพื่อเอา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 เริ่มจากขั้นสมาธิขึ้นไปจา ก, กล่าวถึงขั้นแห่งธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าอาริยธรรมก็มีอยู่สขั้นคือพระโสดาบันขั้นน่พระสกิทาคาขั้นหนึ่งพระอนาคาคาขั้นน่พระอรหัสตขั้นน่มีสี ขั้ น, นี้เรียกว่าอริยธรรมผู้ปฏิบัติได้บรรลุขั้นใดก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นเช่นขั้นพระโสดาฯก็เป็นอริยบุคคลในขั้นนี้สกิทาอนาคาจนถึงขั้นอรหัตตบุคคลมีสันธิสิโกเป็นเครื่องยืนยันไว้อย่างพร้อมมูล ไม่จําเป็นจะต้องหาใบาประกาศหรือเครื่องยืนยันจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่ที่ท่านเรียนจากสมัยพุทธกาลส่วนมากที่ไปศึกษาอบรมกับพระพุทธเจ้าท่านไปด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้ในขณะที่ไปฟังการอบรมกับพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นผู้มีอาการแห่งความเห็นไทย อยู่โดยสม่ำเสมออากับกิริยาของพระของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีความสงบเรียบร้อยมีท่าทางแห่งความเป็นผู้เป็นนักรบนักภาวนาคือความเป็นผู้มีสติไม่ผ่าทุนพวดพลาดอะไรแบบโลกโลกไ ม, ไม่มีกิริยาของโลกเข้ามาแฝงหากจะเป็นไปตามนิสัย นิสัยนั้นก็ยังต้องมีทมคือความตั้งอกตั้งใจเป็นหลักเกณฑ์อยู่ภายใ น, นนิสัยนั้นเสมอการศึกษาเรือกการได้ยินได้ฟังก็จากพระพุทธเจ้าเสียด้วยเป็นผู้สมบูรณ์แบบทุกอย่าง ในหนึ่งมักเรื่องผลตลอดความรู้ที่เกี่ยวกับอุปนิสัยของผู้ใดมีหนักแน่นปในทางใดซึ่งเป็นกรณีพิเศษดังที่ขันแสดงไว้ในชนะปัญญาความรู้หกอย่างหรือความเป็นหกอย่างนั้นเตวิเตวิชโชเตวิตวชารชระปิญโยเตวิโชชนะปัญโย ตูวปฏิสัมพิทภาพปตัตโตเหล่านี้เป็นปีเป็นย่อยอันหนึ่งอันหนึ่งของผู้ที่ทรงอัดทรงทรรมแต่ละองค์ที่จะพึงรู้ปุญเห็นไปตามนิสัยวาสนาของตนพระองค์ก็ทรงแนะนำให้เป็นไปตามแนวแถวของผู้รู้ผู้เห็นตามจดินิสัยของตนนั้นๆไม่ขัดไม่คล้องจึงเป็นไปได้ทั้งภายนอก คือแกนแห่งธรรมก็อพระพุทธเจ้าทรงสอนเองปริยายแห่งธรรมที่เป็นประตามนิสัยวาสนาดังที่กล่าวมานี้มีอภิญญาอภิญญาหกเป็นต้นก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำได้เองจึงไม่ผิดพลาดเลยลภาพปฏิบัติและสถานที่ปฏิบัติก็เป็นสถานที่เหมาะสมในการชำระยิเลสอยู่ทุกการสถานที่อีกด้วย ที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาลำนาไพรไม่ผู้พร่านวุ่นวายด้วยสูงชนสิ่งที่จะทำให้เป็นอย่างน้อยเป็นความไม่สะดวกในการบำเพ็ญธรรมพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้หมดและทรงแนะนำสั่งสอนหรือแนะแนวทางให้ไปสถานที่บำเพ็ญอันเหมาะสมเมื่อท่านเหล่านั้นได้ยินได้ฟัง พระโอวาจากพระเจ้าอย่างเต็มหัวใจแล้วย่อมไปด้วยความภาคภูมิใจในการบํมเพ็ิในการประพฤติธปฏิบัติเพื่อจะรู้เห็นธรรมนั้นๆที่ได้รับพระโอวาจากพระองค์โดยลำดับไปด้วยความภาคเพียรไม่ลดละถอยหลังมีจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ตามพระผู้ปฏิบัติ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 ทะลุปูปลงไปถึงจุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานนะรระฉะนั้นรบรรดาพระสาวกผู้บรรดาพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติในขั้งปุทธการยึิงอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกผาสุขเพราะเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่ออัธรรมอย่างแรงกล้าอะไรลายไม่ถือสีถือสาเพราะเรื่องเหล่านั้นก็ทราบแล้วว่าเป็นเรื่องของกิเลส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 เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆมีจำนวนมากมายเรียกว่ารอบตัวของเรานี้มีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายตากระทบรูปถ้าสติไม่มีก็เป็นไปเพื่อกิเลสนะหูจมูกนิ้นกายกระทบอะไรที่เป็นคู่เคียงแห่งกั น, นกันเช่นเสียงตินเป็นต้น มันก็เป็นความหมายไปเพื่ อ, อกิเลสทั้งนั้นนี่เรื่องของท่าศึกมันมีอยู่รอบตัวและจิตนั่นแลจะเป็นผู้ที่คิดผู้ปรุงผู้แต่งผู้ให้ความสาคัญมั่นหมายเพื่อให้กิเลสทั้งหลายกาเริบขึ้นภายในจิตใจของตัวเองไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นตัวภัยเสียเอง แต่เป็นเรื่องของจิตที่ได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วมาวาดทาบขึ้นไอความสําคัญมั่นหมายออกไปกว้างขวางลึกซึ้งด้วยความเป็นสมุทยัยและกลายเข้ามาเป็นทนกุกเผารดนจิตใจของตนเองก็คือจิตใจของเหล่านี้ที่คิดออกไปด้วยความไม่มีสติไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาเป็นค่าจิตต่อเราแต่เมื่อจิต ไปสัมผัสสัมผั์กับสิ่งใดแล้วเกิดขี้เดร่ขึ้นมาท่านจึงให้ระมัดระวังถ้าไม่ควรจะได้สัมผัสสัมพันธ์ก็อย่าไปสัมผัสสัมพันธ์คือไม่ควรเห็นอย่าเห็นอย่าดูไม่ควรฟังอย่าฟังดังพระพุทธเจ้าสั้นทรงรับสั่งสอนพระอานุ์ตอนที่พระอนุลต้นทูนถามพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติต่ตอมาทุกข์นี่เป็นเป็นต้นนะจะให้ปฏิบัติอย่างไร คำว่มาตุคามใครก็ใครก็ทราบแล้วอยู่ในสถานที่นี่ไม่จำเป็นต้องอธิบายออกไปเรายกตัวอย่างเพื่อให้ตีความหมายไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นไถ่ว่าไม่เห็นเฉยเลยละดีอนอนตันงดิคือสิ่งที่เป็นไถยใดๆก็ตามเมื่อเห็นเข้าไปแล้วจะเป็นไถ่ให้ให้พึงสร้างรวมเสียก่อนก่อนที่จะเห็นจะดู ด้วยความไม่ดูไม่เห็นนั่นแหละดีอนนะอันนี้ดีนะหากจำเป็นจะได้เห็นได้ยินเข้าทำไงยอย่าพูดคืออย่าสําคัญอย่ารุ่นคิดอย่าติดใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอย่ามาถือมาเป็นอารมณ์ให้พยายามตัดเสมอเสมอกับสิ่งนั่นนั้นที่จะเป็นเครื่องเกี่ยวโยงเข้ามาให้เป็นภาสึกต่อจิตใจ นี่แหละเราเทียบเพียงสองประโยคเท่านี้ก็ให้พึงทราบเอาในเรื่องทั้งหลายที่ไม่ควรแก่การบำเพ็ญของเรามันเป็นสิ่งที่จะมากำจัดการบำเพ็ญ น, นี้ให้ด้อยด้อยเสียไปจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องความเพียรในสิ่งที่เป็นค่าสิทต่อตอนเป็นเสียจึงต้องได้ระมัดระวังนี่แหละที่ท่านว่าให้ระมัด ร, ระวังตาเวลากระทบเสียงหู ตาเวลากระทบรูปหูเวลากระทบเสียงสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในของเราคือตามหูจ ม, มูกลิ้นกายให้พึงระมัดระวงังรู้สติหากไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะจะเห็นจะดูจะฟังจะสัมผัสถูกต้องสิ่งเหล่านั้นนอกจากมันจําเป็นทั้งแต่คำว่าจาเป็นนั่นเองหากจําเป็นจะได้เห็นเนาพระเจ้าข่าดัางพระอ น, น์ทูลถามพระพุทธเจ้า หากจำเป็นจะเห็นได้ดูอย่าพูดเนี่ยท่านมีทางเลี่ยงไปอีกเนี่ยหากจาเป็นที่จะพูดทําอย่างไรละ่ะให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหาผันว่านั่นเข้าใจไสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกันเช่นนั้นพิเรนนี้มันมีประเภทต่างๆกันแต่สิ่งที่กล่าวมายกขึ้นมาเป็ น, นตัวอย่างสะกีนี้เป็นประเภทที่หนักเป็นประเภทที่ถือเป็นค่าสิ่จริงๆสําหรับค่าสุจริงๆสําหรับนักบวชที่ประพฤติ ธ, ธมมจันย์ ที่ท่านจึงให้ตัดถึงขนาดนั้นไม่แค่นั้นไปไม่รอดจริงๆมันหนักถ้าเป็นแม่เลยก็ดูดเอาจนกระทั่งถึงตัวกลิ่งไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยถ้าหลอกปอกเปิดไปก็ไม่รู้ถูกมันดูดเอาจึงต้องระมัดวังให้มากนี่แหละที่ท่านให้แสดงสถานที่ที่อยู่ที่ไปให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยกับสินสั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นไมปลา ป่าจะมีอะไรก็มีแต่ต้นไม้ป่าไม้กับป่าคนต่างกันอยู่มากป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชุ่มเย็นสบายสบายกายสบายใจป่าคนเป็นที่รุ่มร้อนมาทุกด้านทุกทางจากค่าสืบของคนจึงต้องได้ระ ม, มัด ร, ระวังเนี่ยนีแหละคําว่าป่าเองนี่สถานที่เปลี่ยวอยู่คนเดียวดีก็อยู่หลายคน อยู่หลายคนมีหลายเรื่องหลายราวแม้จะเป็นนักปฏิบัติด้วยกันอยู่ด้วยกั น, นหลายคนก็ยังไม่เหมาะแต่ว่าลายกับคนทั่วทั่วไปที่ไม่เคยได้รับการรวมทั้งอัดทั้งรมเลยจะไม่เป็นค่าสุดต่อกันท่ามทิ้งให้สามัรตระวงังให้ไปหาอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้คือว่าโคนต้นไม้บ้างในป่าทั่วทั่วไปบ้างในถ้าบัางเงื้อมผาบ้าง ใช่ป่าใช่เขาหลังเขาลายเขาที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การเป็นสมนธรรมพระรักษ า, ศาศจิตได้ง่ายกว่ากันกับสถานที่ทั่วไปแล้วให้พึงสอบแสดงหาในสถานที่เช่นนั้นเถิดน่ะเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลาย<ม>บรรลุธรรมท่านจึงมกักบรรลุในสถานที่เหมาะสมตามที่พระโอาวาทพระเจ้าทรงสั่งสอนไว้มากกว่าที่จะบรรลุในตลาดลาดเลย เช่นอย่างสูหมายทุกวันนี้เ็าเรียกว่าเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองมีที่ไหนทรนไม่มีอยู่ทั่วไปแต่ไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นทำให้เกิดขึ้นในสถานที่ฉะนั้นได้สะดวกสบายยิ่งกว่าสถานที่เหมาะสมเช่นในป่านในเขาเป็นสำคัญนี่ละ่ะพุทธิยาท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจไปปฏิบัติบาเพ็ญตามเข็มทิศทางเดินที่ทรงแสดงไว้แล้วนะอย่าให้เพื่อนคาดผู้มีความ รักในมรรคผลนิพพานให้พึงรักให้พึงคารบในพระโอาวาทอันถูกต้องดีงามอันตายตัวเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไ้แล้วอย่าได้ให้เคลื่อนคลาดใจอย่าให้จืดจางภายในจิตใจตั้งใจคุดปฏิบัติยากก็ตามเถิดการเดินทางย่อมมีทั้งทางโคตทางโค้งทางตรงทางสะดวกขรุขระมีผสมประสิกันไปแต่สายทางอยู่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 มันจะเป็นยังไงก็ต้องได้ไปตามนั้นเลือกเอาไม่ได้พอออกจากทางหน้าพูดนองอทางนี้ไปก็จะเป็นขวากเป็นหนามเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหิวนรกตกเป็ดไปหมดไม่ใช่ทางเดินของส่วคาธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่าเป็นมัสสิมาอันนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วจะยากลาบากแค่ไหนก็ให้พึงทราบว่ากาลังของกิเลสกองทัพของกิเลสมันมีมาก มันหนามันบางขนาดไหนถึงระยะที่มันควรจะหนักในการฟาดฟันหั่นแหลกต่อกันมันย่อมหนักมันย่อมลำบากให้การสถานที่เป็นบางระยะเป็นบางตอนที่ควรจะเบาอันก็เบาควรที่จะสะดวกก็สะดวกคือควรที่ทาละได้ง่ายก็ง่ายเช่จีดบางครั้งบางเวลามันสงบได้อย่างรวดเร็วก็มีสงบได้อย่างสะดวกสบายก็มีบางครั้งบางคราวแทบเป็นแทบตายยังไม่ได้เรื่องเลยก็มี และอีกบางครั้งตั้งหน้าตั้งตาจะเอาให้จริงให้จังเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงคลิกถึงถึงคลิกถึงจริงๆไม่เป็นท่าเลยก็ยังมีเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่เป็นค่าตึกต่อเรานั้นมันเหนืออุบายของเราทุกอย่างในขณะที่เราบำเพ็ญเพื่อความต้องการตามใจหวังนั้นจิเดฒมันเหนือนั้นเราจรึงไม่ได้อย่างสมมติสมายนี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ เป็นไปได้ตามใจหวังทุกคนแล้วใครอยากจะอยู่ในโลกใครจะไม่อยากพ้นจากถูกคําว่าทุกนิดเดียวก็เป็นความลำบากอยู่แล้วแต่นี่มันเลือกเอาไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเลือกเต็มถ้ากําลังความสามารถจึงได้อุบายห่งธรรมที่พระองค์ทรงเห็นทรงควรแล้วในแง่ใดมหาสอนสัตว์โลกตามที่ได้ทรงบรรลุได้ผ่านทางผลมาแล้วเท่านั้น เราทั้งหลายเห็นใจพระพุทธเจ้าคุณใหไงว่าทรงเลือกเฟ้นเต็เตมสติถ้าสติกําลังความสามารถมาแล้วเราเป็นเพียงล้างมือเปิดเท่านั้นยากลําบากก็ก็ไปทางสายนี้เพี้ยนไม่งั้นจะเรียกว่าเพียนยังไงมันก็ต้องยากบ้างถึงต้องได้ใช้ความภาคความเพียนหากเป็นของง่ายนิดเดียวจะความเพียรมีความหมายอะไรสติปัญญาก็ไม่มีความหมายถ้ากิเลสโง่ซะจนเกินโง่จะไม่ได้ครองหัวใจสัตว์โลกไปนรันทายแต่นี่ อุบายเรื่องของกิเลสเป็นที่เป็นธรรมชาติที่ฉลาดแหลมคมเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้สามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นที่เป็นอํานาจของกิเลสครอบครองทั้งหมดสัตว์ตัวใดวิญ ญ, ญาณดวงใดไม่เคยที่กิเลสจะจะเหนืออํานาจของกิเลสพ้นอํานาจของกิเลสไม่ครอบครองไปได้นี่ก็เพราความฉลาดแหลมคมของมันเพราะฉะนั้นการใช้อุบายแห่งสติปัญญาศรัทธาความเปียน ทุกด้านทุกทางจริงต้องในทุ่มเทกันลงเต็มทัติกําลังความสามารถพร้อมต้องอุบายที่พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วอย่าลดละปล่อยวางให้ยึดนั้นเป็นหลักถึงจะได้รับผลไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พอใจนี่แหละการปฏิบัติภาวนาเพ้นอย่างนี้เพราะกิเลสเป็นของที่เหนียวแน่นที่สุดผู้ที่ยังไม่เคยได้เห็นเหตุเห็นผลได้ต่อกกรกันตับกิเลสแล้วพูดได้ง่าย เหมือนนกขุนทอง เ, อเรื่องสมาธิก็พูดได้ง่ายเพราะพูดด้วยความจําใครเรียนเขาก็จำได้เด็กเรียนเด็กก็จําได้ผู้ใหญ่คือใครก็ตามเรียนลงไปจําได้ฉงนั้นชื่อของกิเลส ช, ชื่อของผู้บายวิธีการต่างๆแต่เวลาจะเข้าถึงตัวกิเลสจริงๆไม่รู้จนกระทั่งกิเลสเป็นอะไรคืออะไรเหมือนอย่างที่เขาเราก็เป็นนอนอยู่ในถ้าเสือเราไม่ทราบว่าเสืออยู่นั้นเราจะไปหาฆ่าเสือแต่เวลาได้ยินเสียงเสือก็ะหึ่มกร ม, มันกําลังจะงับ หัวอยู่แล้วกลืนทั้งคนคนทั้งตัวไม่ต้องกลืนอยู่แล้วเรายังไม่ทราบเสียงกระหึ่งกระหึ่งมันยังเคริบเคลิ่มหลงไหลว่าได้ฟังเสียงเพลงอันอัศจรรย์อยู่ในธรรมนี้สิไม่ทราบว่าเพลงนี้มาจากไหนเป็นไปอย่างนั้นเะอีกน่ะเวลาเข้าถึงตัวเสือจริงๆแล้วยังไม่รู้ว่าเสือนี่เข้าไปยังไม่รู้ว่าตีเลตมันงับเอาแล้วงับเอาแล้วเราไม่รู้นี่นะเพราะความโง่กว่ามัน มันถึงไม่ดูอุบายของมันต่อเมื่อได้ฟืดตามหลักธรรมของพระเจ้าทรงสอนอาสติตั้งให้ดีเข้าไปนัปัญญาตั้งให้ดีพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนความเพียรหนุนเข้าไปความอดทนอดลงไปสิ่งอื่นเรายังอดได้ทนได้เราเกิดมานี้ได้ใช้ความอดทนมามากเท่าไหร่ได้ใช้ความเพียรมามากเท่าไหร่กับกิจการทั้งหลายเหตุใดเราจะใช้ความเพียรต่อ การคือปฏิบัติปัิธรรมเพื่อความเลื่อดเดินในตัวของเราเองทําไมเราจะช้าไม่ได้เนี่ยเมื่อเราใช้ยิ่งเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเข้าไปานี้ซ้ำโดยความโดยสม่ําเสมอแล้วอุมาต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเราจะได้เห็นเรื่องราวของกิเลสเห็นร่องรอยของกิเลสว่ามันเป็นร่องรอยอย่างไร อุบายของกิเลสเป็นอุบายอย่างไงเมื่ออุบายเขาทำจับมันเข้าทันเขาทันเข้าย่อมจะทราบอุบายของกิเลสย่อมจะทราบของความเคลื่อนไหวของกิเลสเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมาจากที่ตรงไหนสุดท้ายก็ไม่ทราบเอาก็พ้นไปไม่ได้ว่าเคลื่อนออกมาจากหัวใจ น, นี่เองนานทีนี่ทราบแล้วอ๋อกิเลสอยู่ที่หัวใจก็เพื่อมพับออกแล้วเหลือกิเลสเนี่ยอืก็เพื่อมพับออกไปแล้ว กระเพื่อมพับออกไปแล้วไม่กระเพื่อมสัญญาเป็นความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารยังซึมซาบออกไปได้นี่เมื่อปัญญาย่างซาบลงไปด้วยความแหลมคมอย่างนี้แล้วทําไมจะไม่ทราบกลมุบารของที่ดีนี่นี่แหะที่มันทันกันทันอย่างนี้เอเมื่อได้ยึดตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นและต่อไปที่ว่าเคยว่าขุกขระที่เคยว่าสะดวัวที่เคยว่าลําบากลําบนก็จะค่อยเบาลงไปบอกไป ลำบากก็เห็นด้วยตัวของเรานั่นแหละมันเป็นความเหมาะที่สุดอืมมันยากขนาดไหนมันลําบากขนาดไหนเจอกิเลสตัวไหนติดเป็นตัวที่แสบแสบที่สุดก็ให้มันรู้ในหัวใจของเราและกําลังของสติปัญญาของเราเองว่าต่อสู้กับกิเลสประเภท น, นั้นๆเราต่อสู้ด้วยอุบายวิธีใดจึงได้ชัยชนะมาเป็นลําดับกําดานี่มันย่อมเห็นได้ยอย่างชัดๆอย่างนี้ผู้ปฏิบัติมาอย่างนั้นเอามาพูดได้ยงไง พระพุทธเจ้าทรงเห็นชัดเจนที่สุดจึงได้นำธรรมออกมาสแสดงและพระรหันธ์ท่านก็สะถึงใจอย่างไม่มีที่สงสัยจึงเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองสาสนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจของตนที่ทรงไว้แล้วซึ่งทำดังกล่าวนั้นนชัยล่าจะเป็นผู้ที่ยืนยันธรรมของพระพุทธเจ้าน่ายิ่งกว่าพระรหันธ์ เพราะท่านทรงทำเหล่านี้ไว้แล้วตายก็ยอมตายไปเลยขึ้นชื่อว่าทำพระพุทธเจ้าออแล้วไม่ไม่ยอมที่จะให้ตกต่ําเจ้าของตายก็ตายไปเถิดบรรดาพระอรหันต์ที่เป็นผู้ทรงธรรมตามพระพุทธเจ้าออแล้วหรือตามเสด็จตามรอยพระบาทให้ถึงพระองค์แล้วด้วยความเห็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุองค์เนี่ยทำยังเครื่องประกาศเป็นเครื่องประกาศยืนยันอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติ ดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั้นบ่าหากยังมีผู้สนใจใคร่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่เมื่อไรเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นจะเป็นไปโดยลําดับลําดาที่ผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงได้รับผลตาม ข, ขั้นตามภูมิแห่งธรรมและตามสติกําลังความสามารถของตนโดยลําดับลําดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธการที่ยังที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่หากจะมีผิดเพี้ยนกันอยู่บ้าง ก็ตรงให้การแนะนําสั่งสอนผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้เช่นไรนี่เป็นสิ่งสําคัญอยู่มากคือเพียง ก, การสอนทางภ า, ภาพปฏิบัตินี่จะสังส่งสอนกันด้วยทางปริยัติไม่ได้จะทําให้ลูกคําคําผู้ปฏิบัติก็จะไม่ได้เรื่องได้ราอะไรเลยต้องเอาภาพปฏิบัติที่ตนรู้ตนเห็นสังส่งสอนบรรดาลูกศิษย์ที่เข้ามาศึกษาอบรมนั่นจริงเป็นที่เนจะแน่ใ จ, ใจอเพราะตนเป็นที่แน่ใจแล้วในหัวใจของเราเองนัด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 ผู้สอนต้องเป็นผู้แน่ใจในตัวเองซะก่อนแล้วสอนคนอื่นด้วยความแน่ใจไม่สงสัยผู้รับธรรมะจากการอบรมสั่งสอนก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยว่านี้จะใช่หรือไม่ใช่เพราะผู้สอนด้วยความถูกต้องแล้วผู้ผู้ฟังก็ยอ่ยอมเป็นที่ตายใจได้เนี่ยในี้พู้ตัวเรื่องปัญญาอาจจะเป็นปัญญาขั้นใดก็ตนเองผู้สอนก็เป็นผู้ดิพนิพจพิจารณาทางด้านปัญญามาแล้วทุกท่านทุกกลุ่มจงกระทั่ง ได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆเห็นผลประจักษ์ใจมาจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบัานประจักษ์ปีจัยของตนหมดสิ้นโดยสติปัญญา ท, ที่ทันสมัยแล้วเหตุใดจะสอนคนอื่นเพื่อการแรก้กิเลสด้วยสติปัญญานั้นผิดเพี้ยนไปได้ล่ะไม่ผิดนี่และผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทําได้คืออะไรก็คือความบริสุทธิ์พุโทโธภายในหัวใจเมื่อ เอาพุทธะดวงที่บริสุทธิพุทโธนี้อันเป็นตนนี้เป็นเครื่องยืนยันเป็นตั้งเป็นหลักฐานไว้แล้วชาติแดงทำแก่บรรดาผู้มาศึกษาอบรมแล้วจะผิดที่ตรงไหนจะมีเอ็งเอียงที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยลําดับบันดาต้องอาศัยการอบมรมการแนะนําสั่งสอนของผู้ที่ได้รับผลมาแล้วสอนเป็นที่ถูกต้องแน่นยัางนี่เป็นการที่จะเดินได้รวดเร็วและไม่เป็นอุปสรรคอันนี้สําคัญมาก แต่อย่างไรก็ตามการอบรมสังการประพฤติความภาคเพียนสำรับตนเวลานี้ก็มีหนังสืออยู่แล้วเทพก็มีหนังสือเข้ามีควรจะ ย, ยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นกิเลสเบาบางจากหัวใจเป็นอย่างไรเราเห็นตั้งแต่ความมืดความคลิ่ ความทุกข์ความทรมานในหัวใจเพราะกิเลสบีบคั้นบีบบังคับทรมานเราเรื่อยมาจนตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้มีเวลาจืดชังที่ตรงไหนเพลินออกมาก็เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียออกจากเพลินก็เป็นความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำธนาราประเภทหนึ่งเสียมันมีแต่กลมายาของกิเลสเหยียบย่ำหัวใจตลอดเวลาเราไม่ปรากฏว่าทำได้แสดงลวดลายของตัวออกมาให้เราเห็นเป็นคู่แข่งกับกิเลสบ้างเลยอย่างนี้มันไม่เกินไปหรือนักปฏิบัติของเรา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 เรื่องพระพุทธเจ้าว่าคอขาดเลยเรื่องศาสนาเรื่องพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีาศาสนาธรรมนี้จริงหรือไม่จริงถูกต้องหรือไม่ต้องหัวใจของเราเป็นยังไงได้ธรรมชาติประเสริฐนี้มาจากไหนนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันกันให้มันเห็นดูเช่นนักปฏิบัติเล่าไปยังไงธรรมะพระพุทธเจ้ามีเพียงในตำรับตำนาทนั้นมีแต่ชื่อนะเอาให้เห็นจริงในหัวใจของเรา่ยในภาพปฏิบัติธรรมะนี่สดสดร้อนๆ้อนนะ ไม่ใช่การไหม้ฐานที่ท่านถึงว่าอากาลิโกฟังเสร็จในบทธรรมคุณท่านแสดงไว้สวากาตโตภกตา ธ, ธรรมโมแปลออกมาแล้วว่าทำอันทำทุกประเภทอันพระภูมิภาคเราตัดตราดไว้ชอบแล้วฟังสิคำว่าชอบแล้วคือไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นขั้นใดภูมิไหนทำพื้นๆจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไม่มีผิดแสดงว่าโดยถูกตั้งเนี่ยสวาตโตภกาตาธรมโม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 อาการลิโกเนี่ยประั่งอย่สิที่นี่อาการลิโกมีการมีสถานที่มีเวลาเวลาที่ไหนก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มันอยู่ฝังจมอยู่ในภายในจิตใจของเราเนี่ยมันมีการไหนเวลาไหนที่มันมันจะไม่เหยียบย่าทำลายเราที่มันจะไม่เป็นกิเลสตอนไหนมันไม่เป็นกิเลสเวลาไหนไม่เป็นก<ห>ิเลสเวลาไหนมันเป็นคุณต่อเรา <N> มันไปกิเลสตลอดเวลาอาการลิโกเช่นเดียวกัน <şekkür. S 2> การแก้กิเลสด้วยอัดด้วยทำทรยิ่งต้องเป็นอาการิโกเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่ทันกันนี่ ท่านก็บอกไว้ว่าอาการิโกเอหิปัติโกแปลตามทางปริยัติท่านว่าเราสามารถที่จะเอ่าเรียบร้อมคนอื่นมาดูได้ทำของจริงอยู่ในตัวของเหล่านี้นทางปริยตัตท่านแปลว่าอย่างนั้นนี่เราไม่ถนัดใจเราขอพูดให้ฟังตามความถนัดใจของเราจะผิดเพี้ยนประการใดก็ขอให้หมู่เพื่อนในพินิจพิจารณซึ่งเคยปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วนะไม่ใช่เคยไม่ใช่มาดนดาวอ้า มาปฏิบัติจากนี้แล้วอุบายอันนี้เป็นอุบายที่เจะของดําเนินมาแล้วและเห็นผลประจักษ์ในหัวใจของเราว่าเอหิไม่หมายคือว่าถ้าธรรมนั่นแหลท่านเตือนเราท่านสอนเราให้ย้อนจิตของท่านเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ภายในนี้คืออริยสัจทุกข์ก็ปรากฏขึ้นที่ใจนี้สมุทัยก็ปรากฏขึ้นในใจนี้อันเป็นตัวเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาจงน้อมจิตนะเนาะเข้ามานี้เออสตีนานนี่คือมาก ปัญญาใ ห, ให้ย้อนเข้ามาดูทำของจริงคือถุกขังทุกขังอริยสัจจังนี้ก็ทำของจริงสมุทัยอริยสัจจังนี้ก็ทำของจริงแสดงอยู่ภายานใจนี้เกิดขึ้นภายานใจนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงย้อนสติปัญญาเข้ามาสู่จุดนี้เนี่ยเอหิเอหิแต่ว่าให้เข้าให้ย้อนเข้ามานี่พระธรรมทั้งสอนว่าท่านจง อย่าส่งจิตออกไปข้างนอกหุ่นวายสายแสหาเรื่องหาราวอันเป็นเรื่องของสมุทยัยหาไรายได้มันทั้งนั้นให้ย้อนสติปัญญาเข้ามาสู่ภายในนี้นี่แล้วดูเรื่องของจิตมันคิดเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรอดีตอนาคตมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทยัยทั้งนั้นแก้มันด้วยสติปัญญาของเราเองนี่เรียว่าเอหิปฏติโกโอปัญิโกเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นอัดเป็นพามเครื่องคร่ำสอนตนโดยสม่ำเสมอ น, น, น, นี่ เราจะต้องมีดิบวลินยูฮิผู้ที่ปฏิบัตินั้นแหละจะเป็นผู้รู้ที่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จํำพาะตนก็คือผู้ปฏิบัติคือเรานั่นแหละจะไม่จะเป็นใครที่ไหนจะรู้ด้วยจําจำเพาะตัวเราเองรู้ในหัวใจของเราเองรู้ทั้งทุกรู้ทั้งสุมูไทยรู้ทั้งนิโรรู้ทั้งมักจะรู้ที่จิตของเรานี่ไม่เป็นอื่นไม่ไปไปรู้ที่ไหนเลยนี่ในพระธรรมคุณท่านก็แสดงว่าอย่างนี้เราก็สวดมาสัจนปากแขะมันได้เรื่องได้ราวอะไรบ้าง เอามา้าให้เป็นประโยชน์ที่กิเลสมันหัวเราะเนี่ยสวดไปก็สวดไปกิเลสมันหัวเลาะ เ, เ, เราไม่รู้สึกตัวของเราถ้าสวดไม่มีสติมันเป็นเช่นนั้นถ้าสวดให้มีสติดังที่ว่าเอหิเนอาน้อมย้อนจิตเข้ามาสิเรื่องของทุกข์ของจุลโมทัมทยซึ่งเป็นสัจธรรมอย่างเอกที่ทําสัตว์ทั้งหลายให้รับลําบากขมวนที่สุดก็อยู่ที่หัวใจนี้เอาสติปัญญานี่ก็เป็นสัจธรรมอย่างเอกเครื่องปราบกิเลสก็อยู่ในหัวใจนี้เอาน้อมเข้ามาฆ่ากันสิอยู่ภายในจิตใจนี้ คำ ว, ว่านิโรดนิโรดความดับทุกข์ไม่ต้องบอกถ้าลงมัดมีกําลังสังหารสมุทรไทยให้แหลกไปแล้วความดับทุกข์ดับเองอืเพราะสมุทรไทยมันตายไปแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมันก็ดับเท่านั้นเองเนี่ยนิโรดนิโรดนิโรดความดับทุกข์ก็คืออํานาจของมัดมีสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องสังหารกิเลสให้สิ้นสุดยุติลงไปนั่นทีนี้จะเป็นอะไรไปเทคนิค เมื่อเราได้ทำกันให้เต็มที่เต็มฐานที่นี้แล้วเราจะไปถามหามบุญที่พานจากผู้ใดพระรูปเจ้าท่านสอนไว้แล้วแบบเบริ ว, วิตโบวินยูหินตะกินปุ้ยแล้วก็ผู้ปฏิบัตินั้นแหละเป็นนินยูชนว่าวินยูหินอันท่านพู้ทั้งหลายใครจะไปรู้ผู้ไม่ปฏิบัติมะไมรู้ได้ยังไงก็ผู้ปฏิบัตินั้นแหละคือเรานั้นอนะ่ะถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้จํำพอตอน ไม่จำเพราะใครใครที่ไม่ในปฏิบัติจำเพราะผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นนี่ฟังเลยทำนี่เสศสนร้อนแท้ๆพระพุทธเจ้าสอนด้วยความปราบกิเลสด้วยสสดสศสนร้อนทั้งนั้นเหตุใดจึงเป็นของจืดจางไปให้เสศสนร้อนเฉพาะกิเลสเท่านั้นบางทีเยียบเราทุกวันทุกวันเราเห็นไหมเวลานี้อาการดิโกของกิเลสเป็นยังไงรับอาการิโกของธรรมทันกันไหมทุกวันนี้อาการิโกของกิเลสก็นิรภิทรแพงไปตรงไหนมีแต่กิเลสไม่ว่า ยืนเดินนั่งนอนกลางค่ำกลางคืนหรือกลางวี่กลางวันเดือนใดปีใดมีแต่กิเลสเหยียบย่าหัวใจเราเห ย, ยียบย่ำหัวใจกิเลสได้ตอนไหนม้างมีการใดบ้างนี่ทีมันแพ้กิเลสตลอดเวลาแล้วเราจะถามเาปุณณิพันธ์ที่ไหนมันก็ไม่เจอสิต้องถามหาที่หัวใจของเราค้นอยู่ที่หัวใจของเรานี้แล้วก็จะเจอดังที่กล่าวมานี้นี่ละที่ว่าฉัน อ, อากาลิโกยาหาเวล่าเวลาในการแก้กิเลสให้ดูกิจของตัวเอง อันเป็นที่ผิดกิเลสทั้งหลายขึ้นมามันชํานิทํานานมากนะเรื่องความปรุงขอ ง, ของจิตที่เป็นปด้วยอํานาจของสมุทยัยที่จะผิดทุกขึ้นมาเผาขานจิตใจของเรานั้นมันรวดเร็วที่สุดถ้ากําลังของธรรมไม่ทันเนี่ยมันรวดเร็วมากแต่ถ้าอํานาจทางธรรมมีสติธรรมเป็นต้นรวดเร็วเอทันมันแล้วมันจะเร็วขนาดไหนก็เท่ากับปลูกสติปัญญาตลอดเวลาเลย รู้ทันกันรู้ทันกันตลอดนั่นหละฆ่ากันได้ที่ตรงนั้นฆ่าทิเหลืนี่แหละอุบายของอริยเาทุกๆบททุกๆบาทขอให้น้อมเข้ามาเข้าสู่ใจของเราผู้ปฏิบัติแล้วกําจัดกิลงใหญ่ทให้เห็นว่ามันเป็นภัยตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับธรรมที่เห็นมาเป็นคุณนั้วเข้ามาต่อก่อนกัรมภายในจิตใจใจของเราจะได้เย็นลงไปโดยลดับเบาลงโดยลดับ ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงตุวันนี้มันตรงไหนที่เราได้เบาบางจากที่เด็ดที่ว่าอากาศริโก ท, ที่ที่ไม่เป็นอากาศริโกนะ่ะมันเป็นอากาศริโกทั้งนั้นมันเหยียบย่ําทําลายดาตลอดมาไม่ว่าไวไัยใดจนกระทั่งถึงบัดนี้มันก็เหยียบย่ําเรามาถ้ามันมีเครื่องต่อสู้ต้านทานมันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดตั้งกับตั้งกันหากําหนดไม่ได้นะ่ะนายทำท่านกล่าวว้ในเป็นบทบาลีคมลืมจะจําได้ตั้งแต่คําแปล ว่าอะไรอนามะตะโกอะไรทีว่าคือทางหาเงื่อนต้นเงื่อนตายไม่ได้ของติดแต่ละดวงละดวงเพราะเกิดตายเกิดตายด้วยความท่องเที่ยวที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่หนู่นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยซสุ่มซึ่งต่ำซึ่งร้ออย่างนี้มานานแสนนานนับกับนับกันไม่ได้ฟั้งสิหน้าสรุปสองเรศไมหมกิดแต่ละดวงละดวงนี่ถ้าพุทธเจ้าใช้เองนะเป็นผู้แสดงไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใ ด, ดแสดงนะออ เขาผู้เจ้าปซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องความคิดติและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกทินแดนนี่แหละนําเอาเรื่องของสัตว์มาพูดแล้วคําว่าสัตสตะทะตะคือใครก็ไม่ใช่พวกเราด้วยจํานวนหนึ่งนแปลว่าผู้ตี่ผู้คล้องในความเกิดจากจะตายอยู่ด้วยกันทั้งนั้น <S <S ท่านที่เรียกว่าอนามัมตะโก ค, คือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายทางไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย <C oughs> ท, าท่านก็เที่ยวเข้ามาเหมือนขอบดงอะฟังสิที่นี่ขอบดงนั่ ถ้ากําจัดมันไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดรอนมันเข้ามาย่นวัตกรเข้ามาด้วยอัดด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลแล้วความยืดยาวของวัตตะวนนี้จะดูจะเป็นเช่นเดียวกับขอบดมขอบดงนั่นแหละขอบดงนี้ยืดยาวหรือไม่ยืดยาวดูสิเอาตัวมดตัวไหนไต่ลงไปมันจะรู้ที่ออกที่เข่าที่ตรงไหนมันไม่รู้ทั้งนั้นแหละมันไม่ทราบว่าไอ้ขอบดงนี้มันมีสั้นมียาวที่ตรงไหน ก็มันกลมไปหมดมันหมุนรวบตัวอยู่ตลอดเวลาหมุนมาหมุนไปหมุนมาหมุนไปของเต่านั้นแหละแน่ยอันนี้ทันตินโตวัดตาวัดต า, ตาแต่ว่าแปลว่าเครื่องหมุนตั้งสิมันหมุนรอบตัวของมันอยู่ตลอดเวลาเกิดที่นั่นเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่นดอนดอนเคยเป็นมานี้กี่พกี่ชาตินับไม่ถ้วนในวิญญาณดวงหนึ่งหนับวิญญาณของเราด้วยแล้วเราไม่อินฉานละอาใจบ้างเหรอแล้วความพ้นไปเสียจากความหมุนเวียนเหล่านี้เป็นความดีขนาดไหนพระพุทธเจ้าทรง แสดงทรงแสดงยืนยันไม่ได้ว่าดุก ข, ขัน้นนาถิอาชา จ, ะาจัะนั่นแปลว่าตัดตรงจากแห่งความเกิดทั้งหลายออกเสียโดยทิ้นเชิงทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นตั้งทีนี่แหละเป็นหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ยทีททท่ที่ตัดลงมาการปฏิบัติคุงามความดีทั้งหลายนับแต่ทานศีลภาวนาขึ้นมาโดยลําดับลำดานี่เป็นการสร้างความดีเป็นเครื่องหนูนจิตใจของเราด้วยเป็นการตัดทอนวัฏวบให้ สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาย่นเข้ามาสมมุติว่าเป็นสมมุติว่าหมื่นชาตินี้ย่นเข้ามาอไม่ถึงหมื่นย่นเข้ามาไม่ถึงพันย่นเข้ามาไม่ถึงน้อยย่นเข้ามาไม่ถึงสิบย่นเข้ามาไม่ถึงเจ็ดชาติย่นเข้ามาไม่ถึงสามชาติย่นเข้ามาไม่ถึงหนึ่งชาติในชาตินั้นบรรลุพร้อมไปเลยตั้งแต่ขั้นโซดาแล้วขึ้นถึงบรรลุถึงอรหัตบุคคลหรืออรหัตผลทันทีในชาตินั้นเลยนัก เพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรที่ปฏิพุริปฏิบัตินี่ยนี่เมื่อพ้นจากนี้แล้วนั่นแหละพ้นจากขอบด่งแล้วที่นี่ความที่พ้นแล้วนั่นแหละคือความที่ประเสริฐสุดไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้หมุนให้เวียนอีกเหมือนอย่างแต่ก่อนที่เคยเป็มาแล้วกี่กรั้งกีกันเอามาเทียบสิการประกอบความภาคเพียรทุกยากลําบากขนาดไหนตรบการที่องเที่ยวในวัดตฏสงสารมากี่กรับกี่กัรน้าไม่ท้วนเช่นเดียวกับขอบด้งนี้เอามาเทียบกันดูที่อันไหนทุกขนาดไหน มันนานแสนนานมากแสนมากขนาดไหนมาบวกกันสิแต่เราภพเราชาติกับความเพียรที่เราพยายามตะเกียบตะการมีความทุกข์ในเวลานี้เอามาเทียบกันดูที่เป็นยังไงมันน่าจะกระหิ่มนะในหัวใจเอาเตนก็เป็นตากระตายเถื่อที่เดศมันเหยียบย่ำหัวใจเรามานานแสนานตางที่กล่าวมาแล้วนี้เราไม่ควรที่จะนอนใจต้องถือเป็นค่าศึอต่อกันอย่างยิ่งนั่นที่นี่ที่มันสลักที่เรศออกจากหัวใจได้เมื่อกําลังของใจมี อะไรก็เธอไม่มีอะไรที่จะเหนือกําลังของใจกําลังของธรรมนี้เลยที่เรียกทังทั้งนั้นเน่ะถ้าลงกําลังใจมีแล้วนะความมุ่งมั่นไมีน่าเต็มหัวใจความเพียรมาตามๆกันมาวันคืนปีเดือนมอนีตั้งแต่มุ่งทิศให้ดูดทนดูดทนดูทนดทนโดยท่ายเดียวเท่านั้นแล้วผ่านฝืนเลยอ่าแขนสบายเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงท่านแบนบน้นําพระไทัยไหลน่ะไหลอะไรพระพุทธเจ้าท่านทําไมจงร้องไห้เฮ้อสิ้นที่เหลืนแล้วร้องไห้อะไรฟังสิ ถ้าเราเราจะเทียบนะทรงแรงดันยานดูสัตว์ตัวโลกแล้วน้ําพระทัยไหลทรงสลดสังเมตรพระขันของท่านเนี่ยคือขันห้านี่กับเพื่อนเพราะความสังขารขันทรงลําพึงถึงสัตว์ด้วยความสงสารเอาอันนี้มาเป็นเครื่องมือของจิตที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนด้วยพระเมตตาแล้วก็ลําพึงถึงสัตว์และทํางานสัตว์นี่ย่ะแล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ได้สักที เมื่อเราได้บรรลุธรรมถึงขนาดนี้แล้วมันเป็นธรรมที่สุดวิสัยสุดเอื้อมที่สัตว์ทั้งหลายจะกล้าจะรู้ตามเห็นตามได้แล้วทํำยังไงนั่นเรื่รองทรงธรรมคนกวัญน้อยในเวลาที่จัดสรุปทีแรกเพราะเป็นธรรมที่วิเศษเลิศเลอที่สุดในแดนโลกสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยพระองค์ทร ง, ทรงจเจอแล้วในขณะนั้นจึงไปพิจารณาทุนสัตว์ตโลกทั้งหลายนี่ทํำยังไง ถึงจะรู้ได้เห็นได้เมื่อทํามันนี้เป็นของวิเศษเป็นของละเอียดละอ่ถึงขนาดนี้ใครจะมีมีแก่ใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติแล้วใครจะมารู้มาเห็นได้และเกิดความสงสารตัดโลกและทําความขวัญน้อยแล้วไม่อยากสัมพันธ์ัดโลกเพราะจะสุดวิสัยว่าเปล่าไม่เกิดก็อยู่ะเะไเลยนี่น้ําพระเนตไใสนี่ฟังสิท่ า, น, า น, นก็บอกไว้แล้วในตํำรับตำรานี่หละขันกระเพื่อมขันแสดงตัวอาศัยพระเมตตาจิตออกมาเป็นเครื่องถักดัน ขันตอนนี้ให้แสดงจากขันสังขารขันน่ที่ทรงปุุงทรงพินิจพิจารณาเนี่ยทำได้สงสารจัดโลกแล้วอยากให้ดุพนตายพูดง่ายๆนี่เราเป็นยังไงเราไม่สงสารเราบ้างเหรอให้แต่พุทธชจาเท่านั้นเหรือสองสารเรา เราไม่เห็นแก่พระเมตตาของพระพุทธเจ้าแล้วนําพระเมตตานั้นเข้ามาสงสารตนนี้บ้างเหรอจะได้ความเพียรเราจะได้เล่งจะได้ดึงดูดตัวเองให้ออกจากวัฏวบอันเป็นกองทุกข์มหาอันทุกข์นี้เดี๋ยอย่างน้อยย่นเข้ามาย่นเข้ามาให้ได้มันพ้นเส น, นชาตินี้จะเป็นที่เลิศเลอที่สุดเลยเอาใครไปนิพพานหรือใครไปสิน้นใครเป็นผู้สิน้นยีเดียดแล้วยังเสียดายโลกนี้ใครเห็นสักที พระพุทธเจ้าตรัสลูกมากี่พบออกี่พระองค์แล้วกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์มีพระองค์ใดบ้างที่ได้สั่งสอนสัตว์โลกแล้วได้พ้นจากทุกไปแล้วยังมาเสียดายในโลกกองทุกเกิดแจกเก็บตายเสียดายราคะตันหายนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายถึงขนาดพ้นนั้นแล้วตับมาเสียดายโลกกว่นี้มีไหมนอกจากมีแต่จากความสลดสังเวชน้ําตาล่วงลงเท่านั้นในขณะที่ได้พ้นไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่น เราเอามาเทียบที่สุลสาลเราบ้างที่เป็นยังไงเราสงสารตนบ้างเพียงประมาณอะไรบ้างหรือไม่หรือมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าสงสารทองสงสารจนน้าประเนศ้อไหลนั่นหรือแล้วเมื่อถึงนิพพานแล้วเป็นยังไงมีในศาสนาพระพุทธเจ้านี้แล้วมีองค์ไหนบ้างหรือลายใดบ้างที่กิจได้หลุดพ้นไปแล้วยังมาเสียดายโลกเกิดจ่กจะตายลาคาตัณหาอย่างนี้มีไหมไม่เคยเห็นก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยมหาภายัยท่านเองพวกพ้นจากนี้แล้วจึงเอ เป็นของวิเศษแต่กอนไม่ได้วิเศษอะไรก็เพราะสิ่งเวลวรามกตกเฟดทั้งหลายนี่มันเยียบย่ำหัวใจไว้หาความวิเศษไม่ได้นเองแต่พอหลุดพ้นไปจากนี้แล้วความวิเศษไม่ต้องบอกดีถึงเดียวเท่านั้นนั่นขอให้ทุกทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพืปฏิบัตินะแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่คอยแนะนำสอนนี้รู้สึกว่าน้อยลงน้อยลงน้อยล ง, ยลงโดยลำดับนะอะไรการแสดงตามนี้ต้องสมควรหยุดแค่นี้แหละออือเหนื่อยแล้ว